เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังหลายแต่รวมประโภติยานในวันนี้ก็คงประรบเรื่องจากสุขห้าต่อไปในรูปที่โดยเสด็จรอยอยุคนบาทของพระพุทธเจ้าหมายความว่าคุณสมบัติต่า น, นี้เป็นคุณสมบัติระดับสูงระดับสมบูรณ์เดี๋ยวเราก็โดยเสด็จไประดับหนึ่ง ก็ได้พูดมาถึงปัญญาจากสุกับติปัญจกสุกทีนี้มันตัวพุทธจากสุกเนี่ยคือจากสุของพระพุทธเจ้าเป็นการรู้จักอินทรีย์รู้จักอัธยาศัยนิสัยคนคือในฐานะที่เป็นคนอยู่กับคนอื่นอยู่ร่วมกับคนอื่นไอ้นี่ที่จริงก็คือหลักของพิจิตริยาพิจิติยาอ่อนๆนะนะ กิจวิทยาที่จริงมันก็ห่างไกลจากเรื่องแบบนี้แต่ว่าถ้าเราออามาใช้ได้ระดับหนึ่งจะทำยังไงว่าคนแต่ละคนเนี่ยเราจะไปคาดหวังอะไรก็มากเกินไปไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เขามีภูมิหลังของเขาในพื้นเพจริตกิจวัตรใของเขาถ้าเราต้องการเกี่ยวข้องกับเขา ก, ก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ คล้ยๆกัตอนอะไรล่ะตอนนี้แล้วกลางการเดือนธันวาคมที่พูดถึงหมาอะไรรถไวเลอร์อะไรราคาเป็นแสนท่าแม่คนไทยมันก็เหลือเกินมีบมืองไทยอยู่ตั้งสี่พันกว่าตัวเมื่อเราต้องการจะเลี้ยงเขาก็ต้องรู้จักเขาแต่แงั้นก็เป็นอันตรายยอมรับประเขเป็นเขาอย่างนั้น ทีนี้ปัญหาที่เราอยู่กันคือเราต้องการเกณนคนอื่นให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นโดยไม่ยอมรับความเป็นของเขาตามที่เขาเป็นเช่นบางครังง้งมาคราวสา ม, ามีพรรยาที่แต่งงานกันแล้วเกิดหย่าร้างกันคือแต่ละฝ่ายก็เกณน์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นแล้วในสุดเราก็ยอมรับกั่ได้ เราคนอื่นไม่สามารถจะปรับนิสัยเข้าหากันได้เมื่อไม่ยอมผ่อนปลนในสุ่มก็แตกแยกกันแต่ถ้าเรายอมรับตามที่เขาเป็นคล้ายๆกับว่าเราปลูกกออุจจติกข์เราต้องยอมรับปกิริมันเหม็นนะเราอาจจะใช้สอยประโยชน์จากทรงอื่นมาได้แต่ว่าดอกมันเหม็นเหมนยอมไม่ละ ถ้าไม่ยอมมันก็อย่าปลูกแต่ถ้าปลูกก็ต้องยอมรับากลิ่นมันเองในขณะเดียวกันในคุณค่าด้านอื่นมันก็มีนะฮะเป็นยาเป็นยืนตะพิษมันก็ใช้ประโยชน์อยู่เยอะสั่งหัวทั้งก้านทั้งอะไรคือว่าทุกอย่างเนี่ยเขาก็เป็นไงที่บอาบางครั้งบางคราวเรามีปัญหากับคนใช้ผู้กันไม่รู้เรื่อง ที่มีปัญหาคนขับรถอย่างเงี้ยต้อการไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นโดยเราลืมไปว่าถ้าแกคิดได้อย่างเราอย่างเราอะ่ะทําได้อย่างเราแกก็เป็นเราแกไม่ได้เป็นคนใช้แกไม่ได้เป็นคนขับรถแกไปเป็นนักการพันโรงเพรา้นแกก็เอาเท่าที่ได้อะ่ะต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์ในบุคคลบางพวกว่าเขาได้เขาท่านี้ เพราะแนวตัวนี้เราจะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแต่นคนก็คือไปตรวจ ด, ดูนี่อินทรีย์ดูอัธยาสายันาย น, นิสัยมันไปได้ขนาดไหนคนบางคนมันจะพูดภาษากันเป็นธรมธรมะธรรมโออะไรอะไรมากมันไม่ได้หรอกฉนันมันมีพระรูปหนึ่งพระพุทธเจ้ามีวิธีแก้ปัญหาเรื่องพัฒนสุภหนาทึ่งมา ไม่เคยใช้รูปแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าผลออกออาเหมือนกันคือพระไม่สิ้มีพระรูปหนึน่งท่านกระตังสังเกตสึกแล้วก็พอดีพ่อแม่ก็ครัวทางบ้านในตายแล้วเจ้าก็รับสั่งคุยเรื่องอื่นนะคุยเรื่องอื่นๆๆาถามจะสึกมีจะทำยังไงมี คุณมีรอนอะไรหรือเปล่าที่จะประกอบอาชีพท่านบอกว่ามีอยู่ถามมาเท่าไหร่มีร้อยกีหาวันนะอ่ะภิกษุไปหยิบเม็ดกวดมาร้อยเม็ดทำไมต้องหยิบเม็ดกวดเห็นไหมนี่คืออุบายวิธีแบบนับหนึ่งถึงสิบอ่ะคือเบี่ยงประเด็นมาไปเลยเ้าไปนับหนึ่งถึงสิบหายกรวดได้ยังไม่หายนับไปถึงร้อยเลยนี้ก็คือวิธีการ เสร็จแล้วก็อาอพิสูจ ค, ค่าเจ๊จายนั้นเท่านั้นนะถ้าเจ๊จายนั้นเท่านั้นพิสูจก็นั่งนับสิละเม็ดเดือดเม็ดเดือดแล้วมันก็จดจอดอยู่กับนัำแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เห็นว่าไอ้เม็ดกรวดเนี่ยมันหายไปเรื่อยๆเดี๋ยวของที่เธอต้องการเนี่ยอย่เยอะเลยพอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่านับเม็ดกวดหมดร้อยเลยแต่ว่าของที่จะต้องการเพื่อจะสึกเข้าไปเนี่ยยังไม่ครบรับสั่งเออพิสูจน์ทำยังไงเอี่ยของมันน้อยนัเนี่ย ไม่ยครบอ่ะจะศึกได้ดแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มดึงเข้ามาแล้วค่อยดึงเข้ามาเราตัดสินใจไม่สิกนั่นคือรู้อัตยศาสัยแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเป็นนิสัยที่เขาเขาคล้ายๆกับชอบท้าทายอ่ะชอบท้าทายชอบแข่งดีกับคนอื่นมาลาจะศึกรับสร้างเป็นไงจะศึกอ่ะ เธ อ, อพิชซู เ, เพื่อนๆเนี่ยที่เขาบวชด้วยกันนะก็สามารถได้เพื่อนเรียกว่าประสบดาบันกับราคานาคาลาหันเพราะเธอจะให้คนอื่นเขาเรียกว่าพิกษุผู้กสันไมอายก็เลยก็ฮึดสู้ฮึสู้แล้วในที่สุดก็ได้นั่นก็คือดูอัธยาสัยในิสัยคนแล้วก็ปรับไปตามอัธยาสายาัยครับ ทำให้เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างน่าทึ่งอัศจรรย์ทีนี้เราอ่านนี่เราอ่านตอนปลายเราไม่ได้อ่านตอนเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องนะเอ๊ะทําไมมันง่ายล่ะเกณฑบางคนเลยผ่านไม่เชื่อเสเลยแล้วทําไมประเทศสเมเด็จง่ายล่ะเกณฑที่จริงไม่ใช่เราวางแผนเยอะตรงเนี้ยพุทธะจักสุกอาทิตย์จุกธสุกคือจะต้องมองจะต้องชัดเจนในตรงคนเท่านั้นทีเนี้ยเราก็มาเกี่ยวข้องกับลูกกับหลานกับคนกับอะไรคนชายลูกน้องอะไรแต่าง มันไม่จะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะมันต้องเข้าใจเขาคนเรานี้จะสื่อสารกับเขาได้อย่างไงจะพูดจากับเขาได้อย่างไงแล้วจะมีวิธีการอย่างยกตัวอย่างพระนนท์พระนนท์เป็นอนุชานะฮะลูกพระเจ้าสุโทธทนะเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากพระนางมหาปิาบดีโธตนะเป็นพระนานางเป็นพระอนุชาต่างพระชนีนะแต่เป็นูปของพระเจ้าอานาฮะพระเจ้าคณะ หน้านางซึ่งก็เลี้ยงพระองค์มาก็ตอนที่ท่านขึ้นพระตำหนักใหม่แต่งงานนะคือตําหนักใหม่ก็แสดงว่าพระชนพรรษาสูงอยุหา่างจากพระเจ้าไม่กี่ปีสองปีมั้ยแล้วพระเจ้าศัตรูแล้วสเสด็จ ก, กรุงก็บินหลับพัดแล้วนะพระเจ้าตอนนั้นก็คงจะปีที่สามบกหรือสามปีเศษไปแ ล, แล้วแสดงว่าท่าน พระนุนนะพระนนเนี่ยก็คงจะแถวสา3ที่ห้าสสี่สามห้านะพอแต่งงานเสร็จนี่เสร็จพิธีกรรมพู้เจ้าส่งบาตรให้ถือลแล้วให้ตามไปส่งที่วัดวเจ้าสาวยังไม่ได้ทันส่งตัวเลยผู้เจ้าเอาเอาเจ้าบ่าวเข้าวัดแคนั เสาวเห็นก็ตกใจตะโกนสั่งขอพระลูกยาไดไปโปรดเสด็จกลับมาดวนด้วยคือไม่กลา้าไม่กลา้าไปยุ่งหรอพี่เจ้าพี่เจ้าก็ไม่รับสั่งอะไรไม่หันกลับพระนนก็คิดเนี่ยเดี๋ยวเขคงจะรับตรงนั้นรับตรงนั้นรับตรงนั้นพี่เจ้าไม่ได้หันมาคุยด้วยท่านก็เลยต้องตามไปไปจนถึงมิโครทารามที่ประทับก่อนประทับนั่งแล้วก็หันกลับมาถามพนรนจะบวชไหมคือถามว่าจะบวชไหม พระนนทนี่ก็กลัวนะเขารบมากกับพระพุทธเจ้าเขารบมากบอกจะบวชไปจากครับพระเจ้ า, า, ารู้นะว่าที่จริงท่านไม่อยากบวชหรอกแต่นี่คือพระพุทธเจ้าเข้าเข้าพระไทยพระนนท์พนนทเป็นยังไงแล้วตอนที่หลังเนี่ยรับสั่งเล่าไอ้พระว่าว่านนทไม่ได้หรอกเขาขี้ยึดจินิสัยก็เป็นคนยึดจิถ้าไม่รีบจัดการได้ก่อนนะปล่อให้ไปอยู่กับเจ้าสาวแล้วกว่าจะออกมาได้ มันตัดตัดไฟตะต้นเลยเอามาเลยแล้วก็ต้องมีวิธีที่จะผลักดันให้เกิดขัตยะมามนะปรากฏว่าพระนบรบวชก็ได้ยินเสียงเจ้าสาวแววแววแวแ ว, แ ว, แ ว, แวเนี่ยพอกร่ลูกเจ้าบวชเสด็จมาดวนด้วยพอก ร, ร่ลูกเจ้าเสด็จมาดวนด้วยนั่งสมาธิใจแตกเลยคิดมากจนผอมจนผอมเพื่อนก็นำไปข้าวพระพุตธเจ้า ขุจ้าไรับสัรถามแต่ก็เล่าความจริงนะฮะพระสมัยนั้นดีอย่างชื่อสั่งมาเกเลถ า, างไงทัก็ล่าหมดเลยขุจ้าก็ใช้พุทธานุภาพนําพระนนในท้องสวรรค์เลยแต่ก่อนที่จะท่องสวรรค์เนี่ยให้ดูลิงรุ่นตัวหนึ่งลิงสาวๆที่มันถูกไฟไหม้ในป่าแล้วก็นั่งจับเจ้าอยู่ถูกไฟไหม้ไปหลายแพรนั่งจับเจ้าอยู่ที่โคนต้นไม้ ที่ตึที่ตอ่อไม้ถึงถูกไฟไม้เชียดดูถามมโนนเป็นไงลิงนี้กัเจ้าสาวนี่ใครสวยกว่าบอกว่าเจ้าสาวสวยกว่าอ่ะเสร็จแล้วก็นําดูนางอับสอเป็นไงนนนนางอับสรนคนนี้กัเจ้าสาวนี่ใครสวยกว่ามนนก็บอกว่านางอัสรสวยกว่าเทียบกันไม่ได้เราก็เจ้าค่ะ ถ้าจะเทียบกันแล้วก็เจ้าสาวนะ่ะเหมือนกับนางลิงร้นตัวนั้นเที่ยวกันไม่อด้ทีนี้ก็ให้ดูนางอาสอนเรื่อยๆทุกคนสวยสวยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสวยไหมแล้วก็ถามมาอยากได้ไหมอยากได้เจ้าค่ะก็อยากได้ไปเรื่อยๆอยากได้เปิ้ไปหมดเลยเสร็จแล้วก็รอให้ท่านอยากไปเทีนที่มันคล้ายๆกับ อะไรละคล้ายๆคนตกเบ็ดนะเห็นไหมปลามันแรงมันดิ้นแรงได้ปล่อยสายไปเรื่อยๆปลอยดิ้นไปเรื่อยๆสุดสายป่านปล่อยไปหรือมาเหมือนกับคนเล่นบ้าอะไรต่อเลยเห็นไหมเราจะปล่อยสายไปเรื่อยๆเป็นวิธีวิธีการในการฝึกคนแล้วกแ็แล้วก็คุยคุยการ ว, วนนน ถ้าต้องการได้นางเทพอักษรเนี่ยตะนวลืมเจ้าสาวแล้วนะตอนนั้นลืมเจ้าสาวแล้วนะเออถ้าต้องการได้นางเทพอักษรเนี่ยเอาตถาคตจะรับประกันให้นะจะตือตั้งใจแบบปฏิบัติธุมัญจัในให้ถีเด่นประเดี๋ยวจะเป็นนายประกันให้ตะนวลก็ตกลงตั้งใจจะปฏิบัติทำใจสงบแล้วไม่คิดถึงเจ้าสาวแล้วตอนนี้มันปฏิบัติสมาธิเพื่อได้นางเทพอักษรห้าร้อยแล้ ว, วจ้าก่อ รับสั่งให้พระสงฆ์เพื่อนๆพนระน น, นทา์ไปว่านี่เราเราประการให้นนเขาไว้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เลยจะให้ได้นางอภัพสอนเพื่อนกลออ็ล้อเลยพระนนท์เป็นลูกจ้างต่อพระเจ้าเจ้าจ้างให้ปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อได้นางอภัพสอนตรงนี้ขัตยามานะเขาเกิดเกิดมุ่งปฏิบัติไม่สนใจนางอัพสอไม่สนใจเจ้าสาวอะไรไม่ตัดอารมณ์หมดเลย เพื่อนเขาไปกระตุกขัตยมานะขึ้นมาพิสู้บําเพ็ญเพียรทั้งสามวันนะฮะบรรลุมรดผลเป็นราหันเดี๋ยวข้ามากราบทูลเรื่องปฏิญญาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้พระเจ้าตันรู้แล้วนะฮะเต่วิธีการเป็นวิธีการที่ถ้าเราดูแล้วก็ยังตอนเรียนเรียนหนังสืออย่างนึกขำวิจีของพระเจ้าก็ น, นึกสงสารพนะนรอย่างเลยวิธีการเหลือเกินแต่ว่าภิกษุ ก็มายกย่องสันเสริมวิธีการหลวงตาจารย์ตรงนี้ใช้ปฏิบัติการอย่างนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าหักฐานมากแต่รับสั่งมันต้องหักฐานเพราะว่าพระนนเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดมากพอใจอะไรละปักใจเลยหัวปักหัวปักติกดนิสัยแล้วก็เล่าว่าคราวหนึ่งเนี่ยจระองค์เป็นพ่อค้าพระนนเนี่ยมันเกิดเป็นเป็นลาตา เป็นลาต่างหรือม้าเนี่ยแล้วก็ไปค้าขายสินค้ากันแล้วไปเติดไปติดลาสาวข้ะตัวโอ้ยไม่ยอมมาเลยไม่ยอมมาเลยต้องล่อหลอกอะไรวิธีการกต่างๆติบเลยนิสัยก็เป็นรักสวยรักงามติดความสวยงามแเราจะเห็นว่ามันก็คล้ายๆกับเอาน้ําน้ำเข้าหูน้ำหยดหูเอาเอาเอา น้ำแหลมไปบ่งน้ำนั่นก็คือพิจิการเปลี่ยนเปลี่ยนจุดที่ท่านอยากได้เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆและเราจะเห็นว่าแต่ละคราวเนี่ยมันก็สะสมความคิดได้เห็นว่าความสวยงามเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าจะให้ดูเทพสอสรที่สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งกบฟ้าก็นัน่ไปเรื่อยๆลเลยแต่ในขณะเดียวกันในคนที่สวยน้อยเนี่ยมันก็ลดความพอใจลงไปแล้วทั้งกบฟ้าไปขา้างหน้า พาไปข้างหน้าพอพระเจ้าประกันให้ได้หมดปู่ท่านก็ตื่นเต้นในราใจเลยนั่นคือวิปการแต่ว่าแนวตัวเนี้ยที่จริงเรานํามาใชา้นํามาใช้กับการอยู่ร่วมกับคนเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารเป็นผู้หัวหน้าครอบครัวเป็นครูม า, าจานเป็นอะไรต้องเข้าใจลูกศิษย์ตัวเองเข้าใจคนใต้บังคับบัญชาของตัวเองแต่เราถึงเข้าใจราชฎรตัวเองเราแลกแต่ว่าเราอยู่ในฐานะอะไร เช่นบัณฑวารามอย่างเนี้ย on มันพิสูจน์วัดเ banned, นี่ยพิสูจน์ว่าคนข้างวัดเข้าวัดหรือเปล่าว่าถ้าคนข้างวัดเข้าวัดเนี่ยแสดงว่าพระวันนั้นได้แต่วัดบางวัดเนี่ยคนข้างวัดไม่เข้าเนี่ยแสดงว่าไม่ไหว้มันพิสูจน์กันตรงเนี้ยทํำยังไงว่าให้ชาวบ้านเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีโดยใกล้ๆคนใกล้วัดเนี่ยเขามีความรู้สึกที่ดีแน่นอนว่าคนใกล้วัดบางทีก็มีปัญหา มีปัญหาโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆวัดเมืองหลวงวัดในเมืองนะ่ะเราจะเห็นว่ามันถูกบ้านล้อมหมดแล้วบางทีก็มีปัญหาเอาผ้าเอาผ่อนไปตากเอาปลาอะไรไปตากเอาขยะไปเททิ้งในวัดอะไรแต่ละก็มั่วๆอยู่บอ่อยๆแต่เเราก็ต้องให้ความเป็นมิตรให้ความเมตตาแก่เขาพู้จากันด้วยความเป็นมิตรเนียในฐานะที่เป็นผู้ตรบริษัทติดกัน เพรนับทยาศาส์คนนิตศาส์คนแล้วก็อินทรีย์อินทรีย์นั้นก็มีห้าอย่างคือถ้าเรามองในด้านการจัด ก, การศึกษาอินรีห้าก็คือเรื่องความพร้อมความพร้อมเนี่ยอย่างเวลานี้ที่ก็วุ่นวายอะไรสอบประชารีจะโอนย้ายไปให้องคอ์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรอบออกตกันไปเนี่ยบริหารคือยังนึกว่า มันก็พูดกันไปดูฟังก็รักดนตรีที่เขาพูดเนี่ยมันก็ชนกันเองนะฮะคนหนึ่งบอกว่าไม่ไม่ทำอย่างนั้นคนหนึ่งบอกว่าค่อยๆเอาที่มันพร้อมนะคนหนึ่งบอกว่าขัดรัฐมนุษย์พูดเรื่องเดียวกันเลยใจว่าในแง่ของความเป็นจริงนมันมีปัญหาเพราะอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยเขามีอัตาเขาครูสพจเนี่ย เขาเป็นหนสี่เก้ากันอยู่นะอาบาตาเป็นใครอะ่ะเป็นผู้ปกครองเขาอะ่ะประลัดอาบาตาก็แค่สี่สามนั่นเองยังมากก็แค่ปัญญาตรีมันไม่ใช่เรื่องง่ายะนะเป็นจิตวิทยาที่จะต้องยอมรับสถานะเขาคนจะใช้คนนต้องให้เกียรติคนนนะแล้วเขาควรอยู่ในจุดที่เขาควรอยู่ที่เหมาะสมแก่สถานภาพของเขา พอถึงจุดหนึ่งคนก็ถอนตัวหมดคนดีๆยังไม่เข้าสู่วงการวงการการศาึกษาเพราะว่าผู้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยคืออย่าลืมว่าคนในท้อนข่นนี่คัดเลือกกันในบางทีนักเลงหัวไม้มสารพัดเลยนะลองไปดูเถอะแต่ว่าครูก็คือครูครูมันผ่านระบบการฝึปกปลืออบรมมาต่างหากถึงแน่นอนนะด้วยด้วยพื้นฐานทางคุณธรรมเนี่ย พื้นฐานทางจิตวิญญาณความเป็นครูโดยเฉลีย่ยไม่ใช่100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เ้าก็อยู่ในฐานะที่เป็นปูชนยบุคคลของเด็กได้แล้อย่าลืมมอาฝ่ายบริหารเวลาไปไปควบคุมเนี่ยกรมการปกครองก็เคยคุมมาทีงแล้ว น, นรบเอาครูไปเสิร์ฟอาหารไปบริการเลี้ยงน้ำร้อนน้ำชาในกิจกรรมต่างๆ ไอ้ลูกข้าราชการขวายนั้นก็ดูมีเอ้ยพู่เรามันก็ลูกน้องพ่อเรานี่แหละก็ยุ่งหมดแหละเพราะในแนวตัวนี้ที่จริงเป็นแนวที่ต้องเข้าใจกันเข้าใจนิสยัยเข้าใจอธัธยาศัยของคนไว้ฉลาดในการบริหารฉลาดในเรื่องคนเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงคนเข้าถึงวัฒนาธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่รงตาง นะอย่างอย่างว่าเ ป, ประเพณีบางท้องชินเนี่ยเขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณล้วไปถัดคอก็ไม่ได้หรอกเอาอย่างไงก็เอาอย่างนั้นแหละบางทีก็ไปสอนเขาเอาวัฒนธรรมกรุงเทพเนี่ยเข้าไปสอนต่างจังหวัดไปสอนก็ได้ไงเอาสิโยมทําังไงก็ทำเลยไม่ได้ว่าอะไรอะ่ะมันไม่มีผิดมีถูกพิจิงไงขันโถทางเนียปะเพณีนี่ไม่มีใครผิดใครถูกหรอก ไอ้ที่ถูกแล้วมันหลักกูไม่ใช่หลักเต้นอะไรคือว่าทําอะไรมันสมเร็จประโยชน์เนี่ยมันเหมือนกับเรามากรุงเทพเนี่ยมายังไงก็ได้ให้ถึงกรุงเทพกัแล้วกออันแหละทำไมจะต้องยึดติดว่าต้องมารถเมล์มารถทัวร์มารถไฟมารถยืดมาอะไรก็ได้มาถึงกรุงเทพนั่นคือเป้าหมายเพราะการอยู่กับคนเนี่ยปสารภพนักคุน เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากที่สุดเรียนรู้ไม่มีจบสิ้นหรือเรียนรู้กับคนเนี่ยแนวนี้ก็คือแนวที่จะทำความเข้าใจรู้จักกับเขาเอาเขามาเป็นพวกได้ลองสังเกตว่าพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดคนในที่ต่างๆแม้แต่ปัญญวิทยคมพระเจ้ามีวิธีที่จะพูดจนปัญญวิทคียอมจำนนและพร้อมจะฟังธรรม มันอัธยาสายัยนิสัยคนเนี่ยสำคัญเพราะคนบางคนเนี่ยพูดเสียงดังอย่างนั้นเองเนี่ยแต่ใจแกไมนมีมอะไรหรอกเราก็ต้องยอมนะแล้วแต่พูดคนนี้แกเสียงดังหูกี้มันจะเอาอยัางไงแกแกเราไปแก้อะไรเขาไม่ได้ทีนี้อาการที่จะแก้คนอื่นนะแสดงว่าตัวเองมีแกนิสยัยอยากแก้คนอื่นไม่ได้ เป็นคนอ่อนแอนะคนชอบบังคับเนี่ยที่จริงคนอ่อนแอเหมือนกับคนที่เดินไปไหนแล้วชอบส่งเสียงดังที่จริงคนกลัวผีนะเดินมืดมืดแล้วส่งเสียงดังก็หมายความเป็นคนที่กลัวผีไม่เชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นการเกี่ยวข้องกับคนที่เจ้าคนก็มาเป็นพวกเนี่ยต้องเข้าใจเขาและต้องยอมรับเขาตามที่เขาเป็นก็ เขาได้แค่นั้น น, นะแต่ว่าอย่างทีนี้มันจนถึงหนึ่งวัศพันยุทธญาณเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราก็คงไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไงว่ารู้พอสมควรที่เราพูดว่ารู้ทุกอย่างไม่บางอย่างรู้บางอย่างในทุกๆอย่างในแวดวงในวิถีชีวิตของเราเนี่ยจะทำยังไงจะพูดจา ก, กันที่เกิดความเข้าใจติดต่อประสานงานกันพอรู้เรื่องจะประเด็นต่างๆกัเรื่องเหล่านั้นได้ แล้วก็ไม่อ่อนไหวไปกับปัญหาต่างๆมากเกินไปเพราะแนวจกักษุทั้งห้าของพุทธเจารนที่จริงมันเป็นเป็นจุดที่สมบูรณ์เมื่ออยู่กับพุทธเจ้าแต่เราเองก็สามารถจะโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทได้โดยการเอาเนื้อหาสาระเหล่านั้นเน่ยมาพยายามปฏิบัติให้สัมผัสได้ระดับหนึ่ง นั่จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมยังมีเหุมีผลมีหลักมีเกณฑ์และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นที่พึ่งพํนานักให้แก่สังคมได้แก่ประเทศชาติเป็นเมืนได้เพราะอะไรเพราะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็สามารถปฏิบัติตนเองให้เป็นประโยชน์เื่อเกลกูกคคลอื่นได้ส่งเสริมสนับสนุนสัญญาณรายกันได้ต้องฝังเท่าไหร แต่รมประพฤติยาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเ่านี้ที่สุดนี้ขอความจะเป็นงาะนาไปบนนรูรณาคำจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่งคันสวัสดี